ถ้านับอย่างสมัยใหม่นะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นวันวิสาขาบูชาแล้วแต่ถ้านับอย่างโบราณนะ ต, ต้องรอให้สว่างก่อนนะถึงจะเรียกว่าเป็นวันวิสาขาบูชาเพราะว่า คนโบราณเขาก็นับวันใหม่เมื่อสว่างแล้วเมื่อมีแสงอรุณแต่ถ้านับอย่างคนสมัยใหม่ก็เริ่มต้นตั้งแต่เที่ยงคืนดูนาฬิกาเอานาฬิกาเป็นหลักคนโบราณเขาเอาเอาธรรมชาติเป็นหลักเมื่อเรียกว่ารุ่งสางเมื่อไหรก็ถือว่าขึ้นวันใหม่ วันวิสาขบูชาก็พวกเราก็ทราบดีว่ามันมีความหมายอย่างไรเป็นวันที่พเรเจ้าประสตูตรตรัสรู้ปรินิพ า, น, านนี่เราก็จำมาตั้งแต่เล็กถ้าเราพิจารณาดูดีๆ เพียงแค่นี้แหละประสูตรตสุรุปนิพพานนี่ก็มีนนยะมีความหมายที่น่าสนใจการประสูนและปนิพพานหรือพูดง่ายคือว่าตามภาษาชาวบ้านคือเกิดและตายอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนถึง ความจริงที่เกิดขึ้นกั บ, กบมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนนะเป็นยอดมนุษย์หรือว่ามีความยิ่งใหญ่ปาน์ดวก็ตามก็ไม่อาจห น, นีความจริงข้อนนิพน แม้แต่ผู้เจ้าก็ต้องเสด็จปฏินิพพานนี่เป็นความจริงที่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นะทุกข์อย่างที่เราสวดมาเมาสักครู่เนี่ยนะแม้การเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ นี่คือทุกข์ที่ตามติดมากับมนุษย์ทุกคนวันวิสาขาบูชาในด้านนึง ก, ก็เตือนใจใหเราลึกนะถึงความทุกข์ชนนี้แล้วก็เตือนใจให้เห็นให้รู้ตระหนักถึงอย่างเฉพาะเจาะจงว่ากวันหนึ่งเราต้องตาย แต่คนส่วนใหญ่เวลาพูดถึงวิทยารรคบูชาก็ไม่ค่อยได้มองย้อนเข้ามาหาตัวเองเท่าไหร่เพื่อเตือนตัวเองว่าสัปวัหหนึ่งเราก็ต้องตายที่จริงและขณะเดียวกันที่จริงระหว่างเกิดกับตายนี่ก็มีอะไรเกิดขึ้นมากมายซึ่งก็เต็มไปได้วยทุกทั้งนั้นชเช่นความแก่ความเจ็บความพัดพราก สิ่งหล่นี้ก็กำเกิดขึ้นกับพูดเจ้าเหมือนกันทั้งตอนที่ยังเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็เมื่อได้ตัดสรุกแาสมัสัมุทิยานแล้วรวมก็มีความแก่ชะราร่างกายหลังก็งอ ง, งุ้มผิวหนังก็เหี่ยวยน่นอันนี้พระอานนอนก็เคยเค ย, เคยพูดเคยพนานา ด้วยความประหลาดใจว่าพระพุทโธงก็มีความแก่ชราอย่างนี้ด้วยหรืออันนี้ก็เป็นธรรมดานะความพัดพราก็เหมือนกันนะก็ผมก็ประสบความพัดพราก ทางปรัสรู้แล้วไม่นานพระบิดาก็สิ้นพระชนนต่อมาก็พระลาหุนแล้วก็ลูกศิษย์คนสำคัญพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรอันนี้ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ซึ่งก็จะเกิดขึ้นกับเราด้วยเช่นกัน แต่ในราเดียวกันวันวิสาขาบูชาก็ยังมีอีกในยะหนึ่งนะการตัดสรุรของพุจ้าเนี่ยความหมายคือว่าการพ้นทุกข์ในด้านหนึ่งของวันวิสาขาบูชาจะเตือนให้เราตระหนักว่า เราต้องเระิญกับความทุกข์โดยมีความตายเป็นที่สุดแต่ก็สามารถพ้นทุกข์ได้แล้วการพ้นทุกข์ได้นั้นเนี่ยก็เพราะด้วยความเพียรอย่างที่พระเจ้าได้ส่งบำเพ็ญเป็นแบบอย่าง ความทุกเหมือนกับตาข่ายนะที่มันดักจับสัตว์มนุษย์ดักจับสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายแต่ว่าอูุจาก็ตรงชี้ว่าสามารถที่จะแหกสามารถที่จะทำลายขายนี้ได้ เป็นอิสระออกจากทุกข์ น, นี่คือความจริงอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกันนะความจริงที่ว่าการพ้นทุกนั้นเป็นไปได้และพู้เจ้า ก, ก็ได้แสดงให้ดูหรือทำให้ปรากฏทำได้อย่างไรนะก็โดยการที่ มีปัญญาลายเห็นสัจธรรมเรียกว่าตัสรู้ไม่ใช่โดยการวิงวอนร้องขอเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นได้ก็โดยความเพียรของพระองค์อันนี้ก็เป็นนัยยะ อ, อีกด้านหนึ่งของวันวิสาขาบูชาละเราจะ ต้องเจอทุกข์อย่างที่เราสอนเมื่อสักครู่แล้วทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกอย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วความทุกข์กเบื้องหน้าที่เสื่อคือความตายระหว่างนั้นก็ความแก่ความพัดพระแต่ว่าการออกจากทุกข์นั้นเป็นไปได้แล้วก็ควรจะทำให้เกิดขึ้นด้วยเพียงแค่ออรู้ว่าการพ้นทุก เป็นไปได้แแค่นั้นยังไม่พอนะวิสาขบูชาควรจะทําให้เราเป็นการตอกย้ำให้เราตระหนักว่านี่ควรจะทําด้วยควรจะบําเพ็ญเพียรเพื่อการพ้นทุกข์ด้วยอย่าให้การพ้นทุกข์เป็นเรื่องของพระุเจ้าด้วยภาษาโลกเท่านั้นมันเป็น มันเป็นเรื่องของเราด้วยนะเช่นเดียวกับการเกิดและการตายก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของพระเจ้าประสูตรประนิพนานเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของเราด้วยในด้านหนึ่งกนาะรวิสาขบูชาก็อาจจะมีความหมายในทางที่ อาแล้วเรากดทูรือชะงักอยู่บ้างนะเมื่อรู้ว่าชอนหนึ่งเราต้องตายและความทุกข์นี้ก็อยู่กับเราแต่อีกด้านหนึ่งก็ให้ความหวังว่าการพ้นทุกข์นั้นเป็นไปได้พ้นทุกข์จนเอาสมารถเอาชนะความเกิดและความตายคือไม่ต้องเกิดเมื่อไม่ต้องเกิดก็ไม่ต้องตายต่อไป นีลองพิจารณาดูนะว่าเพียงแค่ว่าวันนี้คือวันที่พระเจ้าประสูติตัศรุปนิพพานก็มีความหมายนะที่เตือนใจสอนใจและให้กำลังใจกับเรานี่้ราพิจารณาต่อไปว่าพาระเจ้าตัสรุอะไรอันนี้ก็ยิ่งเกิดประโยชน์เข้าไปใหญ่ ในคืนที่พระองค์บำเพ็ญเพียรจนกระทั่งตรัสรู้นะก็พระองค์ได้ทรงมียานเกิดขึ้นตามลำดับนะปฐมยามก็ทรงมีเรียกว่ายานอย่างรู้อดีตของพระองค์ก็เรียกวปุเพนวาสารุสติยานก็คือรู้ใน ชาติก่อนๆกับพระองค์ต่อมานะยามสองก็รู้ในการเกิดการดับของสรรพสัตว์เรื่องจตุปปาตยานเห็นการเกิดการดับของสัตว์ทั้งหลายในในโลกซึ่งก็เรืแล้วแต่เป็นไปตามกรรมอันนี้ก็จะเรียกเป็นตาทิพย์ก็ได้นะนอกจากลึกชาติได้แล้วก็ยังมีตาทิพย์นะ แต่ก็ไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่พระองค์พบนะในยามที่สามยามสุดท้ายก่อนรุ่งสางก็คือยาที่ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์รืออาสวะขยะยานอันนี้ก็ต้องอาศัยการตัดสรุ้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมให้ระ ล, ลึกชาติได้หรือว่าเห็นการเกิดการดับ ของสัตว์ทั้งหลายนี่เหมือนก็ยังไม่ทำให้พ้นทุกข์นะแต่ที่สำคัญเกินที่สามเนี่ยทำให้ทาให้พ้นทุกข์นะเพราะว่าได้เห็นเห็นกระแสะแห่งการเกิดทุกข์แจัมแจ้งในในสิ่งที่พวกเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมุปบาทเห็นจำเจ้งเนี่ยที่ทำให้พ้นทุกข์ได้แต่ละลึกชาติตาทิพนี่ยังไม่ช่วยทำให้พ้นทุกข์ต่อเมื่อเห็นกระแสะแห่งเหตุปัจจัยของความทุกข์นั่กูง่ายคือรู้ทุกข์นั่นแหละ เมื่อรู้ทุกข์เนี่ยก็ทําให้พ้นทุกข์ได้อย่างที่หลวงพ่อเขียนท่านเขียนสั้นๆนะก่อนที่จะมรณะภาพเนี่ยรู้ทุกข์ก็พ้นทุกข์ดังฉะนันก็มาเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์เห็นทุกข์ในที่นี้ก็มีความหมายท่านในแง่ว่าเห็นว่าโอ้สังขารทั้งปวงล้วนเป็นทุกข์แล้วก็เห็นกระแสแห่งการเกิดทุกข์ว่าการว่าความทุกข์มันเกิดจากอะไรทุกข์ในที่นี้ท่านหมายทุกข์ใจนะ ทุกใจทุกการนั่นเป็นเรื่องของหมอเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะความเจ็บไข้ได้ป่วยความพิการพิ ก, การแต่เรื่องของความทุกข์ใจนี้พระงทรงเห็นอย่างชัดเจนว่าเกิดจากอะไรนะไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกนะแต่เกิดจากสิ่งที่อยู่ภายในนะเรียกสันส้นง่ายๆว่าอาวิชชา สัญหาหรือกิเลสอันนี้แหละคือตัวการทำให้เกิดทุกข์ล้วก็ทรงเห็นเป็นลำดับนะเห็นความเกิดการเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่การปฏิจจสุ บ, บารเนี่ยที่เรียกว่าทำให้พ้นทุกข์จะรูเสรอกันทุกวันทุกเช้าเนี่ยว่า ทาเครื่องออกจากทุกข์ยายาปฏิปันโนสาบกะสังโคสงสารวของพูุทธเจ้านะที่พบทมที่เป็นเห็นทมเครื่องออกจากทุกข์ทาเครื่องออกจากทุกข์อออกกกนี่ก็มีการอธิบายนะอธิรถาจา์ก็อธิบายว่าเนี่ยธรรมที่ทำให้ออกจากทุกข์ได้ก็คือปฏิจจสมุป บ, บาท แต่บางทีเราก็ใช้คาว่าอริยสัจสี่นะอริยสัจ4ี่ปฏิญาสุบาทก็อันเดียวกันแหละเพียงแต่ว่าใช้คนละคาแล้วพูดคนละแง่เน้นความหมายคนละคนละด้านแต่เป็นความจริงตัวเดียวกันอย่างที่บอกไปแล้วว่าเนี่ย mm. เหตุปัจจัยแห่งทุกเนี่มันมันอยู่ที่ภายในนะไม่ใช่ภายนอก แล้วก็มันก็มีความสืบเนื่องกันเ ป, ป็นลูกโซ่เรื่องแต่วิชานะสังขารวิญญาณนะมามรูปสตรายุตนณะผัสสะเวทนาตนะอุปทานภพชาติชารามรณะทุกโทมนัตนะไอ้ทุกโทมนัตก็คือเนี่ยความโศกความร่อมลายลำพันคนะวามไม่สบาย การก็ไม่สบายใจความรับแค้นใจการเกิดทุกข์นี่มันก็มันก็มีขั้นตอนนะแต่ว่าเวลามันเกิดขึ้นจริงๆนี่มันเร็วมากเนะเกิดขึ้นเร็วมากเช่นพอถูกด่าปุ๊บก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา หรือว่าพอประสบความพัดพราดรู้ข่าวว่าคนรักเสียของรักของห่วงหายมันทุกข์ทันทีมันเกิดขึ้นเร็วมากถูกงูกัดมดกัดแล้วทุกข์ใจทันทีมันเกิดขึ้นเร็วมากไม่ถึงวินาทีแต่ว่าถ้ามองดีดีนี่มันมีหลายขั้นตอนนะ กว่าจะเกิดความทุกข์ใจเคยพาคนเดินจงกรมนะตอนเช้าในสวนก่อนหน้านั้นก็มีฝนตกพรมๆแล้วนะเมื่อเมื่อต้นต้นปีนี้เองให้เดินยังมีสติสงบสํารวมแต่ว่าหลายคนเดินไปก็ สำรวมไม่ได้เลยนะเอามือปัดกระทืบเท้าสีหน้าก็ดูไม่มีความสุขเลยเ <c oughs> พราะอะไรพอหมดนี่มันไตขึ้นมาตามตัวไตขึ้นมาในร่มผ้ า, าขาหน้าแข้งพอเดินถึงจุดหมายก็ สนทนากันหลายคนก็พูดว่านิวมดมันมดมันขึ้นก็นเลยต้องปัดก็เลยถามเพราะว่าไอที่ปัดนี่เพราะมดขึ้นเหรอลองดูซิว่าจริงหรือปล่านะพราะมดกัดเนี่ยจึงปัด หรือพอมดเนี่ยไตยเนี่ยจึงปัดปัดนี่คือปัดมดนะเขาก็งงนะเพราะมันน่าจะชัดอยู่แล้วพอมดขึ้นเนี่ยตามตัวก็เลยปัดบอกเขาว่าถามาพิจารณาดูดีๆซิหลายคนก็ยังก็ยังเงียบอึง้งก็เลยบอกว่าเนี่ย การที่จะปัดได้เนี่ยมันต้องมีความอยากปัดก่อนใช่ไหมหรือมันมีต้องมีเจตนาที่จะปัดถ้าไม่มีเจตนาจะปัดนี่มันจะปัดไหมมันต้องมีความอยากก่อนนอยากที่จะปัดถามตัวว่าอยากปัดเพราะอะไรก็ต้องมีความไม่ชอบอยากปัดมด ออกจากขาออกจากตัวก็เพราะไม่ชอบนะถ้าชอบจะปัดนะนะพ่อแม่นะมาสัมผัสเนื้อตัวเราคนเล่ามาสัมผัสเนื้อตัวเราหรือว่าผีเสื้อนะมาสัมผัสตัวเรานี่เราจะปัดนะก็ไม่ปัดนะมันต้องมีความไม่ชอบ ดนจริงเนี่ยนะไอ้ความไม่ช่องเดิมก็ยังไม่พอนะมันต้องมีความความโกรธดนะ้วยความโกรธซ้อนเข้าไปทำให้อยากที่จะปัดนะแล้วความไม่ชอบเกิดเกิดเพราะอะไรนะเพราะมันมีเวทนาคือความเจ็บ มดเนี่ยมันตายแล้วก็กัดนะถ้าไม่มีความเจ็บนี่นจะปัดไะมก็คงไม่ปัดนคือมันกับผีเสื้อมาเกาะตัวเราเราชอบนะเพราะมันไม่เจ็บเนี่ยเห็นได้ว่าเนี่ยเพียงแค่มดปัดมดม ด, มดขึ้นเนี่ยมันไม่ทําให้เราปัดนะหรือไม่ทําให้ทุกข์นยมันต้องมี มันต้องมีกระบวนการภายในที่เกิดขึ้นกับกายและใจของเราก่อนเช่นเกิดทุกขเวทนาเช่นความเจ็บเกิดความเจ็บแล้วก็เลยไม่ชอบแล้วเกิดเป็นโทสะก็ทำให้เกิดความอยากที่จะปัดมันออกไปแต่อยากปัดเนี่ย ทำไมบางคนอยากแต่มันก็ไม่ปัดเหมือนกับบางคนเหมือนกับเราเนี่ยนั่งตอนนี้เนี่ยอาจจะอยากลุกนะเพราะว่าเมื่อยหรือเพราะปนะวดหนักปวดเบานะแต่ว่าก็ไม่ลุกหรือบางทีมดไตาตามตัวก็อาจจะไม่ปัดเพรอะไรเรเรามีสติ เรามีสติและลึกได้ว่ากําลังนั่งอยู่ในศาลาทำวัดหรือมีสติและลึกได้ว่ากําลังเดินจงกรมครูบาอาจารย์ก็บอกให้สงบสํารวมเมื่อมีสติมันก็ไม่ปัน่นแต่พอมีสติเนี่ยก็มันก็ทําตามความอยากคนเรานี่ จะทำะารมันไม่ใช่แค่มีความอยากเดียวนะบ่อยครั้งต้องไม่มีสติด้วยเช่นเห็นของเขาอยากจะได้อยากจะได้แต่ว่าไม่ทำไม่เก็บไม่เอามาเป็นของตัวเพราะมีสติรู้ว่ามันไม่ถูกไอ้พวที่ขโมยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความอยากเดียวนะมันต้องไม่มีสติด้วยนังก็เลยจิบเนีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ ขั้นตอนระหว่างมดตายมดกัดเนี่ยจนทั้งปัดเนี่นะมันมีเหตุปัจจัยมากมายที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นนะเช่นเกิดความเจ็บเกิดความเจ็บแล้วก็ไม่ชอบเกิดความโกรธแล้วกเกิดความอยากแล้วก็ไม่มีสติก็เลยลงท้ายก็เลยปัดนะมีกี่ขั้นตอนก็ไปแล้วนะห้าขั้นตอนแต่จริงเนี่ยเจ็บเนี่ย มีทุกขเวทนาความเจ็บแต่ถ้าใจไม่รับรู้เนี่ยมันก็ไม่เกิดอะไรนะบ่อยครั้งเนี่ยเราทํางานมดกัดยุงกัดเราก็ไม่ไทำอะไรกับมันเพราะเราไม่รู้อาะกำลังเพลินเพลินเล่นเฟซเพลินตอบไลน์เพลินเล่นเล่นเกมมันไม่รูนะ้เจ็บก็จริงแต่ไม่เกิดการรับรู้เรียกไม่เกิดวิญญาณบนะางทีเมื่อยแต่ไม่ขยับเพราะว่า กำลังเพลินเพลินกับการพูดคุ ย, คยจิตมันไม่ไปรับรู้ตรงนั้นก็เรื่องไม่เกิดวิญญาณวนะิญญาณว่าการรับรู้นะอันนี้อันนี้มดกัดมดไตแล้วก็เกิดทุกเวทนาความเจ็บแล้วเนี่ยมันก็ต้องเกิดวิญญาณคือการรับรู้ตรงนี้เะไรรู้ว่าขัดแย้งแล้วเจ็บแต่เจ็บแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเห็นความเจ็บนะ มันก็ไอความไม่พอใจความโกรธเกิดขึ้นไม่ได้นะดันต้องไม่ใช่เห็นความเจ็บแต่มันเป็นผู้เจ็บเนี่ยบางทียังไม่พอมันถึงจะเกิดความไม่พอใจเกิดความยินร้ายและเกิดโทรธสะนําไปสู่ความอยากที่จะปัดไม่มีสติเขาก็เลยปัดเลยไม่แค่เจ็บเนี่ไม่พอนะมันต้องเป็นผู้เจ็บ ด, ด้วยนะถึงจะเกิดความยินร้ายได้ เนี่ยถ้าพิจารณาดูที่มีหลายกระบวนนะหลายขั้นตอนนะมดกัดเกิดทุกขเวทนาเกิดความเจ็บแล้วเป็นผู้เจ็บนะก็เลยเกิดความยินร้ายไม่ชอบเกิดความโกรธแล้วก็เกิดความอยากที่จะปัดแล้วไม่มีสติลืมตัวก็เลยลงมือปัด ท่านที่คนเข้าใจว่าเนี่ยมดกัดก็เลยปัดเนี่ยนะมันไม่ถูกนะตอบไม่ถูกเป็นการไปเพ่งเล็งแต่เฉพาะปัจจัยภายนอกคือมดแต่มองข้าปัจจัยภายในซึ่งได้สาธยายมาเมื่อครู่นี้ก็หกเจ็ดขั้นตอนไปแล้วปฏิจรุบานเนี่ ย, ยมันแบบนั้นแหละนะก็คือว่ากระบวนการก่อทุกข์นี่มันมีรายละเอียดยิบย่อยมาก ซึ่งแต่และแต่และขั้นตอนก็มีความสําคัญและถ้าเกิดขั้นตอนใดนี่มันหายไปเนี่ยทุก็มันก็ไม่เกิดเนี่ยเช่นเวลาเกิดทุกขเวทนาเกิดความเจ็บแล้วเห็นความเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บเนี่ยจิตมันก็เป็นปกติเมื่อเป็นปกติมันก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่ฝัดนี่เอง ให้การที่เราจะมาเห็นกระบวนการภายในว้ธปัจจัยภายในเนี่ยนะมันต้องอาศัยการเฝ้าดูนะที่เราสตะนะิต้องอาศัยความรู้สึกตัวถ้าไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวก็ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นอห่างทุกข์นั้นนี่เคยวนทำไมเราต้องมาฝึกดูนะฝึกเจริญสติฝึกสร้างความรู้สึกตัวทำไมครูบาอาจารย์เขาบอกว่าต้องมาหมั่นดูกายดูใจ พอทาไม่ทำเช่นั้นก็ไม่เห็นเหตุแห่งทุกข์ล้วก็ไปเกิดความหลงว่าทุกข์เพราะคนนั้นทุกข์เพราะคนนี้ทุกข์เพราะมดกัดทุกข์เพราะยุงกัดทุกข์เพราะผู้คนคาต่อว่าดาทอสินฟ้าอากาศหรือทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บอันนั้นมันแค่ทำให้ทุกข์กายไแต่ว่าทุกข์ใจนี่มันเป็นเรื่องของใจเราหรือ กระบวนการภายในทั้งนั้นซึ่งเริ่มจากการที่ไม่มีสติเอาแค่มีความเจ็บแล้วไม่เห็นความเจ็บเป็นผู้เจ็บนี่ก็ทำให้เป็นเรื่องนะแล้วเนียเวลาเราการศึรกษาเปิดใจสุ บ, บาร์มาสาคัญตรงนี้แหละและการรู้ความเข้าใจแต่ก็อย่าไปอย่าไปรู้เพียงแค่จำนะรู้จำแต่ว่าเอามาใช้ เวลามีความทุกข์ใจเนี่ยลองคร่ครวญดูหน่อยว่ามันมันเป็นมาอย่างไรแล้วก็จะพบว่าโอ้มันอยู่ที่ใจเราเนั่นแหละที่ทุกขนะ์แต่คนเรามองข้ามนะคนเรามักจะมองหยากนะจึงตอบควนๆสันส้นๆว่าเนี่ยมดกัดจึงปัดนะมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องนะ ไอ้ม ด, มดการนี่เป็นเหตุไกลนะไอเหตุไกลมีอีกเยอะอย่างที่พูดมาท่านชาวพูดเราเนี่ยผู้ธศาสนาเนีสอนให้มองอย่างมองอย่างประณีตมองอย่างละเอียดใอที่มองอย่างละเอียดนี่ไม่เชื่อไม่ใช่เพื่อเพื่อประโยชน์ทางวิชาการหรือเพื่ออะไรนะแต่เพื่อการปฏิบัติเพื่อเพื่อใช้ประโยชน์ในการฝึกใจ ให้พ้นทุกข์นะขอบางอย่างมันลงรายละเอียดแล้วมันมันเฟร์นะมันเฟร์แค่คุยอวดคนแต่ที่ให้แต่ในกรณิประจจสมุบาเนี่ยมันเพื่อเพื่ อ, อามาใช้งานเพื่อการพ้นทุกข์เพื่อการออกจากทุกข์เนะนี่ยเราลองนะลองดูนะเวลาเรามีอะไรมากระทบกาย ทำให้เจ็บมีเสียงมากระทบหูทําให้ทุกข์เนี่ยดูให้ละเอียดก่อนนะวมันก่อนที่จะทุกข์เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นก่อนมันไม่ใช่เพราะเสียงดา่าไม่ใช่เพราะมีอะไรมากระทบกายไม่ใช่ว่าพ่อมีเหตุร้ายที่เป็นอิทธิอนิถารมณ์เช่นเสืเส่อมลากเสืเส่อมลากเสื่อมยศอันนั้นปัจจัยภายนอกแต่ปัจจัยภายในนี่โอดองดุรเดียนี่มีอยู่เยอะและนั่นแหละคือตัวกลางที่สําคัญทําให้ทุกข์ นี่ท้าเราเข้าใจที่ผู้เจ้าสอนเจ้าตรัสรู้ในวันที่สาขะเนี่ยนะมันก็จะมีความหมายเอามาใช้ในการพาจางแล้วออกจากทุกข์ได้ด้วยน่าจะไม่ใช่ทุกข์ถาวร อ, ออกจากทุกข์ถาวรแต่ช่วยทําให้เราได้เข้าใกล้าการพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเอาละตอนนี้พูดกันตอนนี้กราบพระ